เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อวิริยังครับประทมมงคลนะครับก็มีโอกาสวันหยุดสามวันก็ได้ตั้งจิตปรารถนาว่าจะมามุ่งปฏิบัตินะครับผมโดยเมื่อคืนนี้ก็ไปปฏิบัติที่วัดป่าภูกรอนหนึ่งคืนครับเช้านี้ก็ตั้งใจว้งแต่เมื่อตอนไหนเดือนที่แล้วมากราบหลวงพ่อหลวงพ่อไม่อยู่ก็จะมากราบพระท่านเพื่อจะฟังเทศจากท่านแล้วก็มาปฏิบัติถือสิญปัที่นี่ครับผม เพื่อจะได้เป็นบุญเป็นกุศลครับเอากลาบพระสจ้ากอนวายพระย่อดจ้ากอนเอากลาบอารหังอรหังสัมมา อ, อวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมพุทธศักราช2558้าอห้าสิบแปดวันนี้คณะทางกรุงเทพหลายกลุ่มหลายหลายจังหวัดหลายออหมู่บ้านตำบลอำเภอ แล้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อวิทยังวัดธรรมมงคลเป็นลูกศิษย์สายหลวงปู่มั่น อ, อยังท่านยังมีชีวิตอยู่อายุทั้งหมดอายุของท่าน12 8 9 16วันที่เ อ, อวันที่10มกราเขาทีมณฑล7มกราแหละเขานีมณฑลหลวงพ่อไปสแสดงธรรมาอยู่หลวงพ่อได้ได้จดหมายจดหมายส่งหลงพ่อ ก็ได้รับจดหมายนะั่นแล้วหลวงพ่อก็เออรับไว้พิจารณาเนะเพราะว่ามันยังไกลและเกิดหลวงพ่ออาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ในช่วงนั้นหลวงพ่อจะรับรับทีเดียวมันก็ไม่ได้นะคือรับไว้พิจารณาถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรร่างกายสุขภาพไม่มีอะไรหลวงพ่อก็คงจะรับเหมือนกับปีที่แล้วปีที่แล้วคุหลวงพ่อก็ไปแสดงธรรมประมาณทัก ท, ทุ่งกว่า ก, าก็ได้กราบองค์ท่านในวันนั้น ในปีนี้ก็ถ้าหากว่าไม่มีอุปสรรคนะหลวงพ่อก็คงจะรับนิมนต์ในการไปแสดงธรรมที่วัดธรรมมงคลสอยร้อยหนึ่งสุขุมวิทนะวันนี้ก็คณะศิษย์ที่เคยฝึกสมาธิกับหลวงพ่อปู่หลวงพ่อวิลยังของเราก็ได้มาพักเห็นว่ามีการมีวันหยุดหลายวันวันเมื่อวานนีก็เป็นวัน อะไรราชการที่5เออวันปียะมหาราชแล้วก็วันนี้เป็นวันเสาร์วันพุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์แเห็นว่ามีวันว่างหลายวันก็ถือโอกาสขึ้นมากราบคูบาอาจารย์เออแล้วก็มาปฏิบัติธรรมเมือ่อเพนนีก็พักอยู่ที่ภูก้อนวันนี้ก็จะมาพักอยู่ที่หนาคำน้อยทั้งหมด27คนอ่อหญิงอ๋อโยบุบาสศิกามีย0ส ฝ่ายผู้ชายมีเจ็ดที่จะมาพักแรมในวันนี้ก็มาถึงวัดลงพ่อก็ได้ได้มาขอสมาทานศีลการสมาทานศีลที่กล่าวคำสมาทานศีลศีลหกล่าวศีล5้านี่น 5, เป็นอย่างหนึ่งนะแล้วก็กล่าวขอศีล8อีกอย่างนึงศีลอุโบสถนี่กล่าวศีล5้านี่คือว่ามายังพันเต วิสุงวิสุงรักนัฏฐายะติสรเนนจหะปัญจศีลานิยาจามะถ้าคนเดียวรักษาศีลขอศีลในภาวะปัญจศีลานิยาจามิถ้าสงคนขึ้นไปยาจามะแล้วก็ขอศีลห้าอีกไม่ย่างพันเตติสรเนนจหะปัญจศีลานิยาจามะอันนี้ก็คือสมาทานศีลขอสมาธิทานศีลห้า แล้วก็สมาทานศินแปดอย่างเมื่อกี้นี่มะย่างพันเตติสระเนนัสาห a อัถะอัถะแปลว่าแปดอัถะศีลานิยาจามะข้าไปเจ้าขอสมาทานสินแปดมะย่างพันเตปัญจศีลานปัญจะไปว่าห้าศีลาจามะวิสุงวิสุงรัคณาาัฐฐานะปัญจศีลาข้าไปเจ้าบอกวิสุงวิสุง ข้าพเจ้าความแปลหรือความหมายว่าข้าพเจ้าไม่มั่นใจในการรักษาศินในคราวนี้ครั้งนี้ข้าพเจ้าขอรักษาเป็นข้อข้อข้อข้คือคือข้อ1ถึงข้อ5ห่าข้าพเจ้าได้ไม่มั่นใจในการเป็นอยู่ในการรักษาศินของข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าล่วงเกินศินข้อที่1ข้อที่1ขาดไปก็อย่างข้อที่2กับข้อที่3ข้อที่4ถ้าข้าพเจ้า ล้ล่วงเกินข้อที่สองก็ยังอยู่อีกสามข้อข้าพเจ้าล่วงเกินข้อที่สี่ข้อที่สามก็ปล่อยก็ยังอยู่สองข้อนะลักษณะอย่างน่ะวิสุงวิสุงรักนัดถายยะข้าพเจ้าไม่มั่นใจข้าพเจ้ารักษาศีลเป็นข้อๆเกิดขาดข้ออะไรข้อหนึ่งเพล่เพล่จากข้อห้าเนี่ยออกจากเน่ไปบางทีไปเห็นหมู่กินเหล้ากินเหล้าเขาแต่ศีลข้อที่อื่นยังยังเหลืออยู่ใช่ไหมยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่สี่ตัวนะ เออเพล่เผย เ, เข้าไปไปโกหกเขาอีกกินเหล้าเมาแล้วใช่ไหยขาดไปสองอันนยังสามันเออไปเกาะแก่สามีภรรยาคนอื่นเขาอีกยังเหลือสอง่ะเออไปขโมยรองเท้าเขาอีกยังเหลือหนึ่งเออไปตบยุงมดศินข้อหนะ้าห้าข้อนะคือสินรักษาเป็นข้อๆนะถ้าหากว่ารักษาศินวิสุงวิสุงเนะี่ยรักษาสินปัญจาสีหลานเะนี่ยข้าพเจ้าจะรักษารวมศินทั้งห้าข้อพร้อมกัน แปลว่าขาดข้อใดก็ขาดทั้งหมดทั้ง5ข้อเพอราะอะรเพราะว่าเรารักษาศินรวมรวมกันทั้งห้าข้อแต่ลงข้อเห็นด้วยน ะ, ถ, ถ, ถ, ถ, ะถ้าจะตั้งใจรักษาสินทั้งทีก็ไม่ควรจะขยุกขยัง่งขยึกขยักนะควรจะสมาทานสินให้ทั่วถึงให้บริบูรณ์ทั้งห้าข้อเลยเคล้ายๆว่าทุ่มกายวาใจใจใจของเราให้รักษาสินทั้งหข้อเลย ไม่ควรจะรักษาศินเป็นกระจุกกระอมะอันนี้ก็คือการรักษาศินวิสูงวิสูงคำปัญจะศีลานะคณะทาญาิโยมแต่ปันมอย่างพันเตติสรณเ น, นศสาหะอัดถังค่อัดถังค่าไปว่าแปดสินแปดเี่เพิ่มเข้าไปอีกอีกสามข้อคือข้อหนึ่งวิการละโภชนาเวระมณนศสิกขาข้าพเจ้าจะงดเว้นในการ ทานอาหารในเวลาวิการตั้งแต่เที่ยงแล้วไปให้ข่าวว่าตัดกีเลศทางลิ้นคนเราเนี่ยบางคนก็เห็นอาหารโ อ, เอ้เป็นทุกข์เป็นร้อนทำไม่ได้ทานอาหารใ น, นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสําหรับศรัทธา ญ, ญาติโยมสําหรับพระสงฆ์ท่านให้ถืถอถือธูระถือธุรงขวัตเตราสะธูรงสิบสาม เมื่อบวชเข้ามาแล้วต้องถือธรปง13เที่ยวบิณฑบาทาแล้วก็ฉันเมื่อเดียวฉันอาชนะเดียวอยู่ป่าช้าอยู่ป่าอยู่ในที่แจ้งอยู่โคลนต้นไม้รับฉันให้บาตฉันให้บาทเป็นวัดบิณฑบาทเป็นวัดแล้วก็ใช้ผ้าสามผืนเป็นวัดลักษณะอย่างนั้นแหละอันนี้ค้ายๆว่าสรุปแล้วก็คือเป็นเครื่องตัด ความยุ่งยากยุ่งเหยิงวุ่นวายแต่ไม่ให้มีอะไรอยู่ในตัวของเร า, เาให้เป็นเป็นผู้มักน้อยสันโดษให้เป็นผู้เหมือก น, นกับนกมีปีกกับผางเท่านั้นจะไปในทิศทั้งสีก็ไปได้ลักษณะนั้นคือไม่ให้พระสงฆ์ทั้งหลายเป็นผู้มักมากแต่ว่าอภิชาตาเป็นผู้มักน้อยสันโดษอันนี้คือเตระสะตรรง13าของพระพุทธเจ้าและท่านนี้มาพูดถึงญาติโยมถึง ญาติโยมกับลักษณะนั้นไกลๆเหมือนกันหลวงพ่อว่านะรักษาชินอุโบสถนี่คือรักษาชินห้าคือหนึ่งห้าไม่ให้ฆ่าสัตว์คือไม่ให้คิดฆ่ากันการคิดฆ่าเขาคิดฆ่าเราเราไปคิดฆ่าเขาเขาก็เดือดร้อนถ้าเขามาคิดฆ่าเราเราก็ทุกใหญ่เหมือนกันเพราะฉนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันต่างคนก็ต่างกลัวตายอนัเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์กันนั่นคือสิทธิข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาธานา อย่าขโมยสิ่งของคนอื่นเขาถ้าไปถ้าเราไปขโมยสิ่งของคนอื่นเขาเขาก็เดือดร้อนถ้าเขามาขโมยของเราละ่ะเขามาขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราไปเรียกค่าไทยละ่ะ เ, เราสบายใจแห้เราก็ทุกข์ใจเพราะนั้นเราไปทำให้กับคนอื่นเขาเขาก็ทุกข์ใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึงกันละกันอันนี้คือสินข้อที่สองข้อที่สากาเมสุมิทชาจาราวเวรมเ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 ในเมื่อเราไปถูกว่าเราโกหกเขาหลอกลวงเขาต้มตุ๋นหลอกลวงเขาเขาก็เสียใจถ้าเมื่อเขามากับมาทำให้กับเราเราจะเสียใจั้ยเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพ อ, อย่าไปโกหกหลอกลวงเขาอย่างพวกเราเห็นก้อนหิน ท, ที่มันเรื่อมๆใสๆเ ร, เร า, าก็ไปบอกว่าเนี่ยละเหล็กไหลไปขายให้เขาเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ที่แท้เป็นก้อนหินเท่านั้นเอง นี่แหละเราเสียใจไหมถ้ามาเจอกับเราเพราะก็เสียใจเออหรือเราเขาบอกว่านี่แหละทองคําของปู่ของย่าของเขา เ, เป็นทองคําเออเอามาเพื่อจะขายเออขายราคาถูกๆให้เออโคที่สุดเราก็หลงกลเขาไปซื้อเขาพอมารู้จักทีหลังเราเป็นตะกัวฮฮ เ, เป็นตะกัวตายเลยเออเราจ่ายเงินไปมากแล้วเราเสียใจไหมเสียใจถ้าถือถูกกับใครใครก็เสียใจทั้งหมดนั่ะ ต้มตุ๋นหลอกลวงมีมากต่อมากทุกวันนี้เขียนเช็คต้งเช็คแดงอะไรมีทุกอย่างติดคุกติดตารางเพราะความโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงมีมากทีเดียวเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือศินของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4นี่นะข้อหนึ่งถึงข้อสี่ยังไม่พูดถึงข้อห้านะข้อที่5ายังไม่พูดถึงทืดพูดถึงแต่ข้อ1ถึงข้อสี่สรุปแล้วก็คื อ, คอเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขา การไปฆ่าคนอื่นเขาเขามาฆ่าเราเราไปขโมยของเขาเขามาขโมยของเราเราประพฤติผิดละลาบละลวงแสาสามีภรรยาคนอื่นเขาเขามาทำผิดให้กับเราเราไปโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาเขามาต้มตุ๋นหลอกลวงโกหกเราเราคิดดูสิว่าเรามีความสุขไหมเขาทุกข์ไหมเหมือนกัดเอาหัวใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาเนี่แหละศินของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไม่ไม่ได้อยู่ไกลนะ พวกเราท่านทั้งหลายนะพุทธศาสนิกชนน ะ, เ, ะเขาเราเขาเราฮะแต่สีลข้อที่ห้าสุราเมรยะมชะประมาทการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราหลวงพ่อก็เลยเปรียบเทียบให้เห็นชัดเจนคนที่ขาดสติเหมือนกับเหมือน อ, อาคารหลังนี้แหละที่เรานั่งอยู่นี่ถ้าหากว่าอาคารหลังนี้ไม่มีสังกษีไม่มีกระเบื้องมุงหลังคา แล้วพวกเราจะมาอยู่ในอาคารหลังนี้นะี่ยแดดออกมาก็ร้อนฝนตกมาก็เปียกเราใชไ้ไม่ได้เลยอาคารหลังนี้พ่อยะอะไรเพราะไม่ผาสุกนี่ก็เหมือนกันคนทั้งคนถ้าขาดสติเสอย่างเดียวถ้าคนนั้นเป็นบ้าเสอย่างเดียวถึงจะมีสมบัติมากขนาดไหนก็เถอะจะยศถาบรรดาศักดิ์สูงขนาดไหนก็เถอะคนเป็นบ้าเสอย่างเดียวหมดสภาพนี่ก็เหมือนกันการดื่มสุราเข้าไปนะ้ะขาดสติ คัญชายาฝิ่นเฮโรอีนโคเคนอะไรก็ตามถ้าหากว่าเสพและดื่มเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อคนขาดสติแล้วทำความชั่วได้ทุกอย่างจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยใครก็ได้จะระลับระลวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โก็หกใครก็ได้เพราะคนขาดสติเพราะฉะนั้นศินข้อที่ห้าเป็นศินที่ควรระวังสำหรวมระวังเป็นอย่างจริงท่าพวกเราอยากจะเป็นคนดีเ อ, อมีคุณภาพแล้ว ควรจะงดศินข้อ5ให้ตัดขาดไปเลยนะถ้าว่าพวกเรายังสืบเนื่องยัยสินข้อที่5อยู่อีกสักวันพวกเราอาจจะเข้าไปในคุกเข้าไปในตารางก็ได้เพราะมันมันขาดสตนะิคนขาดสติแล้วทำความชั่วความเสียหายได้ทุกอย่างนะอันนี้ก็คือศิน5้าจากนั้นสินอุโบโสถคือศินสํารวมตัดกิเลสภยัยภายในตัวของเราเราเป็นผู้มากๆโลเลในอาหาร พระพุทธเจ้าว่าทําไมกินทําไมอาหารตัดรถในลิ้นตัดลิ้นออไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ดื่มไม่ ท, ทานอาหารตัดรถทางลิ้นออกอันนี้ก็คือตัดกิเลสไม่ไม่ให้มีความเยื่อใยในอาหารมาดูสิไม่กินอาหารมันเป็นยังไงใจของเรามันเป็นทุกข์มันเป็นเดือดร้อนยังไงดูใจของเราอันนี้ก็คือท่านให้ดูเข้ามาหาตัวใจอะไรกันอันนี้ก็คือศีล วิการละโภชนาศินนัตจีเราจะไม่ทัดธ ง, งดอกไม้ของหอมเราไม่ลูบไร้ร่างกายให้เหมือนตัวเลิเกละครแต่งตัวจนสวยงามจนเกินไปอย่าไปแต่งมันเกินไปอันนี้ก็คือนัตจีตวะวะคือไม่เหตุตกแต่งร่างกายลุกไร้ดอกไม้ของหอมอันนี้คือตัดกิเลสทางจมูกอันนี้เราไม่เห็นฟัง เสียงดนตรีร้องรำทำเพลงอันนี้คือว่าตัดกิเลศทางหูพวกเราเนี่ยชอบเวลาไปทานอาหารเวลากินข้าวเข้าไปแล้วก็มีเสียงดนตรีแล้วก็ เ, กเด็กขาไปด้วยทานอาหารไปด้วยนี่แหละใครๆว่าตัดกิเลศทางหูอย่าให้มันได้ยินในเสียงที่ทำให้จิตใจกระเพื่อมวุ่นวายตัดกิเลศทางหูคื อ, อ, อนัตเจกีตะวะทิตาวิสูกระทัศนมาลา ปัญหาสินข้อที่ข้อที่ข้อที่เจนี่รวมกันทั้งสองข้อนะศรัทธา ญ, ญาติโยมฟังๆดูนะนัตจักีกับมาลาเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะแต่สินข้อที่8ดเนี่ยอุจยาสยนะมหาสยนาะข้าพระเจ้าจงรดเว้นในการนอนที่นอนอันนอนอันใหญ่ที่ยัดนุ่นแลสำลีใครใครวัาตัดกิเลสทางสัมผัสคนเรามันติดที่นอนนะจะไปที่ไหนก็ กลัวจะไม่ได้นอนที่นอนที่ดีผลในสูงก็เลยไปที่ไหนไม่ได้ติดบ้านติดเรือนแต่พอตายเข้าไปแล้วเน่เขาไม่ให้นอนอย่างนั้นนะเออไม้แคบแคบโลงแคบแบแผ่นกระดานสี่แผ่นเท่านั้นฮกว้างยังไม่ถึงศอกอีกตั้งหากสูงแท่นั้นแหละจับยัดลงไปแล้ ว, ลวเขาปิดเตีฝาโลกปิดอีกตั้งหากออพอตายแล้วเราต้องคิดถึงจุดนั้นด้วย เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่เราจะไปติดในการอยู่การกินการหลับการนอนอาการาลุ่มหลงในเรื่องการเป็นอยู่จนเกินไปนี่พระพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติสินข้อที่6ที่7ที่8ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาวัะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายรู้แล้วว่าสินของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรพวกเราก็จะได้สมาทานิศีเลนะสุ ข, ขติงยันติ ผู้จะไปสู่สุคติได้เพราะสิลสีเลนโพก็สัมปทาผู้จะไปสู่พกผู้จะมีโพคะสมบัติได้มากมายก็ด้วยอเ น, นส่งสินสีเลนนิพุติงยันติผู้จะไปสู่นิพพานได้ก็เพราะสินเพราะฉะนั้นศินไม่ใช่ของเล็กน้อยนะเป็นของที่ใหญ่ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านยกขึ้นมาทานศินทานก็คือการเสียสละสินก็คือการทํารวมกาย วาจาให้เรียบร้อยชื่อวาศินในเมื่อคนที่มีศีลดีแล้วไปอยู่นิสถานที่ใดตกไปนิสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นเป็นสูกไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบีย น, นคนอื่นนี่แหละศีลของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของเล็กน้อยนําไปสู่นิพพานได้นะนั้นคนที่รักษาศีลดีแล้วมีศีลปกติแล้วไปนั่งภาวนาจิตใจก็ไม่กระวนกระวายเพราะเราไม่ได้ทําความชั่ว เสียหายในขณะนั้นเราสํารวมกายวาจาดีแล้วในเมื่อนั่งภาวนาใจของเราก็ะชักจะเข้าสู่ความสงบได้ง่ายเลยเพราะเราเป็นผู้มีศินศิลเป็นผู้คุ้มครองสมาธิสมาธิเป็นผู้คุ้มครองสมาธิเป็นผู้คุ้มครองปัญญานะในเมื่อสมาธิดีแล้วกับปัญญาก็จะเกิดขึ้นในเมื่อเรานําจะมาพิจารณาทางด้านปัญญานะเพราะนั้นกอให้พวกเราทุกๆท่านนะ อดี๋ยนี้ก็เมื่อได้ขอสินนะหลวงพ่ออธิบายเรื่องก่อนที่จะมาสมาทานสินให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังนะอก่อนที่จะมาทานสินพวกเราได้สังเกตไหมนะโมตัสสะปะคะวัตโตสะก่อนนะทําไมเจ้า ว, วันนะโมสมาทานศินข้าพรเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหรันต์สัมมาสัมพุทธทเจ้าพระองค์นั้นเนะี่ยสินที่ สินที่พวกเราจะรักษาเน่ยคือศินของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นต้นาศาสดาเป็นต้นพระพุทธาศาสนาเพราะนั้นก่อนที่พวกเราจะรักษาสินเราต้องลดลึกถึงบรมครูต้นความคิดตก่อนว่าศินที่เราจะรักษานี่นะเป็นศินของพระพุทธเจ้านะบัญญัติขึ้นมาแล้วก็เราก็เห็นด้วยกับสินที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าศินคุ้มของโลกถ้าโลกทั้งโลกมีศิน โลกทั้งโล ก, กจะร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันเพราะนั้นพวกเราเห็นคุณค่าของศีลแล้วพวกเราจึงจะรักษาศีลตามแนวทามคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่เราจะรักษาศีลตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็ได้สมาเราก็ตั้งหน้าโม่ซะก่อนข้าพเจ้าขอนอบนอบ้อมแด่พระผู้มี พ, พระภาคพระหันตกสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกล่าวถึงสามครั้งนะ ก่อนที่จะรักษาสิ่แปลกจากนักก็พุทธังทรหมักสังขังสารนางคัดฉามิข้าพรเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งเพราะเหตุไรจึงได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองและประกาศพระธรรมคมสอนออกมาและพระธรรมความสอนของพระพุทธเจ้าเป็นที่ยอมรับพวกเรายอมรับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสวากาตธรรมตัดไว้จริงตัดไว้ชอบ จากนั้นพระสงฆ์ได้นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศมาเผยแผ่มาแนะนําพวกเราพวกเราจึงได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นจรณะเป็นที่พึ่งบอกเป็นผู้มีพระคุณสําหรับตัวของข้าพเจ้าอย่างมากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่ยนี่แหละพวกเราจึงได้จึงว่าน้โมเสธและจึงว่าพุทธทงธรรมบงสางคั้งนะ เอาต่อนนี้ไปเมื่อพวกเรารู้ความหมายในการรับสินหรือสมาทานสินรักษาสินแล้วนะหลวงพ่อจะเป็นผู้ผานำสมาทานสินนีตนะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสี่เดนะนิภูติยันติตัตมาสี่ลังวิโสทาเยเอาต่อนนี้ไปหรืหลวงพ่อจะ พูดเรื่องสมาธิให้ฟังเป็นแนวทางซะก่อนนะพราะพวกเรามาเพื่อปฏิบัติภาวนานลูกหลานผู้ใดอยากจะกลับไปบ้านก่อนก็กลับนะถ้าไม่กลับกันเอหลวงพ่อจะพูดเรื่องอบรมเรื่องศีลและธรรมให้กับพี่น้องประชาชนมาทางไกลให้ได้ฟังได้ศึกษาและ ว, วันนี้นะับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิงผกคณะ จิตของหลวงปู่วิได้ยังที่ท่านได้เข้ามาสมาทานศีลในวัดหลวงพ่อแล้วก็ขอให้พวกเราทุกท่านนะให้เป็นศีลบริสุทธิ์พุดพองจริงๆในเมื่อเรารักษาศีลดีแล้วเราก็ให้นั่งสมาธินะพอหลวงปู่ท่านแนะนําเรื่องสมาธิให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาสมาธิคือทําจิตใจให้สงบ ถ้าเมื่อคนพวกเราจิตใจสงบดีแล้ว เ, เป็นสมาธิดีแล้วแล้วก็นั่นละความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าจิตใจของเราวา้าวุ่นหนีไม่มีจิตใจไม่เป็นสมาธิที่อย่างเดียวนะ่ะจิตใจคิดปูงฟุ้งตลอดเวลาจะหาความสงบหาความสงบสุขได้ที่ไหนอันนี้คือเป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าท่านตรัส ท่านแนะนําสั่งสนอนอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าทำของพระพุทธเจ้าถ้าจะเน้นหนักจริงๆพูดจริงๆท่านบอกว่าให้ทานร้อยครั้งสู้รักษาศีลบริสุทธิ์ครั้งหนึ่งไม่ได้แต่รักษาศีลบริสุทธิ์ร้อยครั้งสู้สู้นั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบครั้งหนึ่งไม่ได้ท่านเรียงระเบีบถึงอานิสงส์นะ แต่ถึงยังไงทั้งสามอันิสง์ทั้งทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีมันมันเหมือนกับสามขาอย่างมันการให้ผลให้ผลต่างกันเอตัวหนึ่งให้ผลอย่างหนึ่งตัวหนึ่งให้ผลอย่างหนึ่งอย่างน้ําให้ผลอย่างหนึ่งข้าวให้ผลอย่างหนึ่งยาก็ให้ผลอย่างหนึ่งลักษณะอย่างนั้น่ะอยาป่าจะจากตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ให้ทานเรื่องทานรักษาศีลภาวนาแต่ว่าถึงยังไงตัวที่บริสุทธิ์จริงๆก็คือนะเออถึงจะทานข้าวทานอาหารยังไง มีเสื้อผ้านุ่งห่มยังไงแต่ก็ยังมียารักษาโรคภัยไข้เจ็บมีจมีความจำเป็นนี้ก็เหมือนกันเรื่องสมาธินี่เป็นยารักษาจิตใจของเราไม่ให้ปุ่งฝุงออกไปนอกรูนอกทางนี่แหละให้ทานคื อ, อไรให้ทานก็นคือเมื่อเราทำบุญทำทานเกิดมาพบใดชาติใดพวกเราจะไม่อดไม่อยากก็รา้อะไรเพราะอันนี้สงฆ์ถานไปตกนักจฐานที่ใด เออความร่ํารวยความผาสุกก็เหนือกว่าใครเพราะอันนี้สงทานความว่าทานคําเนี่ยทานะคํานี่แหละเอมทําให้คนแปลกแตกต่างกันไปเกิดในภพภูมิใดเกิดในสถานที่ใดประเทศใดถึงจะเป็นประเทศที่ยากจนเราก็ยังเหนือกว่าเขาเพราะอะไรเพราะอันนี้สงทานเราเคยทําบุญทําทานไว้ในโบราณเขาจึางว่าถ้าคนมีทานแล้วอนนี้สงทานดีแล้วตกไปอยู่ในหมู่แรง ก็ดีกว่าแรงตังขนาดตกไปอยู่ในฝูงกาก็ดีกว่ากาทั้งร้อยถึงจะมาเกิดในเป็นเพื่อนมนุษชาติก็ดีกว่ามนุษชาติทั้งหลายทั้งปวงหลายหลายคนว่หาหร่เพราะอเนสงทานของเราเกื้อกูลหนุนทำมาค้าขายก็ถูกเจุดถูกจังหวะเพราะอเนสง์เก่าเกื้อกูลหนุนนี่แหละอเนสงทานทําให้พวกเราเปิดไปเกิดในภพภูมิใดก่อนที่จะจุติจนไป จนที่จะบําเพ็ญถึงพระใานได้พวกเราก็จะต้องอาศัยนี่แหละทานเป็นเบื้องต้นส่วนรักษาศีลก็คือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยคนเราที่มีถึงจะมีทานก็เถอะแต่มีใครมาเบียดเบียนเออบางมาลังแกมาทำให้พวกเราทุกข์ใจสามีภรรยาก็มาอยู่ในโอวาททำให้พวกคูก่คนมาต้มตุนหลอกลวงเรา จากนั้นก็มีนักเลกงหัวไม้มาลังแกเบียดเบียนเราก็เพราะว่าเราศีลของเราไม่ดีในอดีตนะเอ่อเราชอบฆ่าคนอื่นชอบทุก ช, ชอบต่อยอตีคนอื่นเขาพอมาเกิดมาพบในชาตินี้เราอยู่นักสถานที่ใดก็มีสิ่งที่มาเบียดเบียนเราอย่างพระ อ, องค์ุริมาลอย่างเนี้ยองค์ุริมาลถึงท่านจะได้เป็นพระรหานะและท่านได้ฆ่าคน เป็นพันกว่าคนนะแต่ผลที่สุดท้ายเมื่อท่านบวชได้เป็นพระอรหันต์แล้วเ อ, อคล้ายๆวัดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วที่ท่านทํากรรมไปนั่นนะไปว่าเป็นโอ้โหสี่กรรมแล้วตามท่านไม่ทันแหละในชาติต่อไปเพราะท่านไม่มาเกิดนะท่านเข้าสู่นิพพานแล้วแต่ถึงยังไงกรรมตัวนั้นก็นยังเวียนว่ายเรื่องวนเวียนมาให้ผลกับท่านท่านไปบินทบาตรัชฐ า, านที่ใดเขาเวียง้อนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ เออคอนหรือวเวียงมาตกบนศรีรษะของท่านเลือดแตกเลือดอาบนะเขาเพาเหตุไรกระเพราะวิบากกรรมที่ท่านได้กร ะ, ะทาไว้นี่แหละอันนี้แหะคือเรื่องของกรรมมันไม่ไปไหนนะถ้าเราทําไว้แล้วมันมาหาพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละเรื่องศีลท่าคือเป็นการปดเป็นการปกป้องตัวเองไม่ให้ทําความชั่วเสียหายถ้าเราไม่ฆ่าเขาเขาก็ไม่ไม่คิดฆ่าเราถ้าเราไม่ขโมยของเขามาก่อน เขาก็ไม่ขโมยของเราถ้าเราไม่ไปผิดพราบประ ล, ะ ล, ะลวงในสามีภรรยาภรรยาคนอื่นเขาเขาก็ไม่ทมาทำให้กับเราถ้าเราไม่โกหกกับเขาเขาก็ไม่มาโกหกกับเราถ้าเราไม่ขาดสติสติของเราสมบูรณ์ไปอยู่ในสถานที่ใดเหมือนกับเรามีสติอยู่ตลอดเวลาเฝ้าบ้านอยู่ตลอดเวลาอันนั้นก็มีความสุขนะถ้าเราวัำปัำ้มปั่มประเผลอเผอเเผยเผเผยเเป็ยเผยเผยเผยเผยเ เป็นดาวว่างอย่างนีเป็นยังไงผลอนิสง์ของการดื่มสุราเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทานก็ได้ศีลก็ดีของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าทําให้พวกเราร่มเย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจไปเกิดณภูมิภพภูมิใดสถานที่ใดก็มีแต่ความสงบร่อมเย็นเป็นสุขเพราะอนิสง์ทานคุ้มของอนิสงส์ศีลคุ้มของแต่อนิสง์ภาวนานนีที่พวกเราจะกล่าวถึงอนิสง์ภาวนา ภาวนาเนี่ยคือพระพุทธเจ้าท่านได้ออกจากเวียงหวังพระพุทธเจ้าออกจากเวียงหวังออกจากพระราชวังของพระองค์ที่กรุงกบิลพัดอันดับแรกพระพุทธองค์เกิดเป็นกษัตริย์นะเป็นลูกของกษัตริย์พระเจ้าจุตโธทนะเป็นพระบิดาพระมารดาของพระพุทธเจ้าคือนางสิริมหามายาแต่นางสิริมหามายาเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติขึ้นมาได้เจ็ดวัน พนังสิริม า, ามายาก็ได้สวรรค์นกศรชินพระชนะพระชิธตาธาก็เป็นกัม้าตั้งแต่สมัยเป็นเด็กแบเบาได้เจ็ดวันจากนั้นพระเจ้าจุโถทนะก็ได้ให้โหนมาทำทํานายาหาโหนมาทํานายว่าเด็กคนนี้เกิดมาเนีจะเป็นลักษณะอย่างไรแต่โหนก็มาทํานายก็ว่ามหาโพธิสัตลักษณะอย่างนี้ถ้าครองราชจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ เป็นพระเจ้าแผ่นดินใหญ่ในแผ่นดินถ้าออกบวชจะได้เป็นศาสดาหนึ่งในโลกที่ใหญ่ที่สุดในโลกศาสนาศาสดาหนึ่งอันนี้ก็ล้วนแล้วแต่พราหมณ์ทั้งหลายในยุคสมัยนั้นมาทํานายทายทักบุริษสะมหาบุริษะลักษณะของสิท ธ, ธัะในยุคสมัยนั้นเพราะฉะนั้นทําให้พระเจ้าจุธโททนะเนี่ประคับประงมลูกชายไม่อยากจะให้ออกบวชนะเพราะนี่ นักบวดในศาสนาของพระพุทธเจ้าในยุคสมัยนั้นนะท่านก็เห็นเหมือนบางศาสนาก็แก้ผ้าบาั่งมีหนวดเข้าพลุงพลงางบั่งไม่อาบน้ำบั่งหาพระหาสิ่งของอะไรมีหนังเสื อ, อเป็นฤาษีสีพรยบ้างมีมากมายพระเจ้าจุดโทตนะเห็นแล้วก็ไม่ชีวิตไร่ไม่สบายตาไม่สบายใจให้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิดีกว่าเพราะฉะนั้นพระเจ้า ชุดโทษณะจึงประคบประงมอย่างมากอยากจะให้ลูกชายของตนเองคือศีทธัตถเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นใหญ่ในแผ่นดินนี่แหละพอเกิดขึ้นมาพอรู้เรียงสาภาวะจะเสด็จไปน่าสถานที่ใดมีแต่ผ้าสแลนมีตอและต้นกล้วยต้นอ้อยมีแต่ดอกไม้เไปหมดประดับตกแต่งถนนหนทาง คนขี้กระจอกงอกง่อยทั้งหลายแหละผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายแหละที่ไม่เสียเวลาเอาออกห อ, อกออกห่างมีแต่สาวสว ย, สวยมีแต่บ่าวสวยสวยมีแต่คนสวยสวยงามๆมแต่งตัวอลังการมาอยู่ในละแวะกนั้นอันนี้ก็คือพระเจ้าจุโฑทนะท่านประครบประโคมถึงขนาดนั้นละ่ะดูแลศีรษะต่อมาในศีรถะอายุเป็นหนุ่มขึ้นมาเรื่อยๆ จนได้แต่งงานเมื่ออายุสิบหกปีได้แต่งงานกับนางพิมพายโสธราเมื่อแต่งงานเสร็จแล้วต่อมาท่านก็นอยู่แบบชีวิตแบบคารวะอยู่ด้วยกันอจนต่อมานะ่อายุถึงยี่สิบเก้าปีนางพิมพายะโสธราก็มีพผักรัน ม, มีขันท้องโยกแล้รตวนี้พระเจ้าจุทโทธโอทนะก็เห็นว่ามควรจะปล่อยสิท ธ, ธิฐานได้แล้วคงจะติดละวัดตไม่ควรจะประครบประงบจนเกินไปละ คงจะให้เห็นธรรมชาติพลเมืองประเทศชาติเป็นอย่างไรนะจะได้ดูแลประเทศชาติบำรุงประเทศชาติต่อไป่ไม่ควรจะอยู่ในอยู่ในกลาจนเกินไปอยู่ในสีในที่สีวิไลจนเกินไปลักษณะอย่างนั้นท่านก็ปล่อยเนี่ยพอปล่อยขึ้นมาเนี่ยสิทธัตถะท่านก็จะไปเยี่ยมชมสมสวนอุทยานซะก่อนนะไปกัายชนะนั่งม้าไปพอไปกับนายชนะ อพาไปสมศวนอุทยานสิท่านก็ไปสมศวนอุทยานพอไปเห็นที่แรกก็ไปเห็นคนแก่ก่อนใช่ไหอไปเห็นคนแก่เพราะท่านไม่เคยเห็นอย่างที่วาท่านอยู่ในที่สงบสงัดพอไปเห็นคนแก่เท่านั้นแหะเี๊ะอันนีเป็นอะไรเนี่ยสณะคนแก่พระเจ้าข่านเอ้าทําไมเขาจึงแก่ทุกคนเกิดมาก็ต้องแก่อย่างนี้นแหละไม่มีใครที่จะไม่แก่ เ, เราแก่ไหมแก่เหมือนกันพระองค์ไม่มีใครที่จะยกเว้นเลยเกิดมาแล้วต้องแก่อย่างนี้ล่ะ เท่านั้นแหละสิทธทะกลับไปเวียงวังแหละกลับกลับกับกับกลัป่ะไปก็ไปคิดเออจะทํำยังไงจริงจะไม่แก่อย่างนั้นแ่ะแนะ่คนคิดะนะทีนี้เพราะท่านเหมือนเป็นวิ ท, วทยาศาสตร์ชั้นหนำอ่าจะวิธีจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรจะไม่แก่นะเนี่ยพอต่อมาอีกคิดไม่โตอีกไปอีกไปเห็นคนเจ็บชักกลิ่นชักงออีกถามชนะอีชนะอันนั้นเป็นไร คนเจ็บครับเอาทำไมเขาจึงเจ็บเมาทุกคนเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรมรมดาเป็นธรรมชาติเราจะเจ็บป่วยเป็นโอ้ยเหมือนกันอีกสักวันหนึ่งนะไม่แพ้เขารักพระเจ้าขา่านนะโอ้แต่แต่แต่มาคนคิดอีกเป็นครั้งที่สองท่านเป็นวิทยาศาสตร์มิตรโจนคิดไม่ออกเหมือนกันพอไปครั้งที่สามไปเห็นคนตายไปเห็นคนตายหามต่อหน้าต่อไปผ่านจบๆไปเห็นอนอ่เป็นอะไรชันนะ่ะนั้นคนตายพระเจ้าข่าน เขาทำไมถึงตายโอคนทุกคนเกิดมาแล้วตายทั้งหมดไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้โอ้กลับไปกลับกลั บ, บ, บ, บมาอีกมาเคิดอีกไม่ตกอีกเหมือนกันพอกลับไปพอไปครั้งที่สี่ไปเห็นสมณะคือนักพรตนักบวช น, นั่งอยู่ที่โคนต้นไม้นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งเน่งกําหนดเกําหนดดูอะไรท่านก็ไม่รู้ล่ะ สมณะท่านนั้นสมณะสิทธ า, าเห็นเออถ้าเรามาถ้าเราออกไปอยู่อย่างสมณะท่านนีนะ้นั่งคุ้นคิดอยู่ตามลาพังคนเดียวคงจะเห็นช่องทางคงจะเห็นช่องทางที่จะมีวิธีการแก้ไขยอย่างไรจะไม่มาเกิดแก่เจ็บตายนั่นเราคงจะต้องรู้วิธีแน่ถ้าเราคุ้นคิดอยู่คนเดียวแต่ถ้าเราอยู่ในเวียงวัง ไม่รู้กิจการงานอันไหนไม่รู้ดูแลเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนไม่รู้ อ, อารีสตรูจากต่างประเทศเข้ามารบราข้าวฟันไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราระวังระวังอยู่ตลอดเวลาเรามีแต่คิดปรับปรุงแก้ไขประเทศตัวเองอยู่ตลอดไม่มีโอกาสไม่มีเวลาที่จะมาคิดปรับปรุงแก้ไขทําไมจะเราจะไม่มาเกิดแก่เจ็บตายเนยะ แล้วเราจะทํำยังไงอั น, นี้เราคิดเราคงไม่มีโอกาสคิดเอาเถอะเราต้องหนีจากเวียงหวังฮในราคารตัดการตัดสินใจของสิทธะในวันนั้นแต่จากนั้นพระองค์ก็เข้ามาทราบว่านางพิมพายโสธราประสูตดพระราหุลออกมาฮเขาก็มาแจ้งข่าวแจ้งข่าวทั้งโอ้ตาย เ, าเราหุลนะเครื่องผูกพันเกิดกับเราแล้วถ้าเราอยู่ต่อไปเนี่ยเราก็คงจะแต่ไม่ได้ออกไปค้นคิด เรื่องวิทยาศาสตร์ที่จะว่าไม่มาเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยคงจะคงจะไปไม่ได้ลคงจะผูกพันต่อไปแต่ว่าราหูนาะราหูน่เนี่ยแปลว่าเครื่องผูกพันนะคณะสถ า, ศ า, ศา ญ, ญาติโยมลูกหลานเครื่องผูกพันของโลกไม่อยู่ลักลูกเหมือนเชือกผูกคอลักลูกเมียเหมือนปอผูกศอกลักสมบัติเข้าของเหมือนปอกใส่ขาไปไหนไม่ได้อย่างพวกเราท่านทั้งหลายมานี่แลอยังคิดถึงบ้านทังเรือนนะ แน่เพราะเหตุไรพอมาไม่กี่วันก็คิดถึงบ้านคือ่ึงเพราะว่าเชือกเชือกมันล่ามมัดกับสมบัติของตัวเองไว้อยู่ น, ะนี่แหละอันนี้ก็คือศีรษะท่านก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเพราะท่านท่านจึงหนีออกจากเวียงวังกลางคืนไปอยู่ในป่าบําเพญอยู่ในป่าถึงหปีเอ่อลองรองผิดลองถูกลองถกเออลองถู ก, ออ ล, อถกลองผิดลองผิดลองถูกอยู่ถึงหปีลองวิทยาศาสตร์อย่างทีว่า จะทำยังไงจรึงจะไม่เมาเวียนไหวตายเกิดท่านเห็นอันนี้คือเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วจะทํำยังไงรจรึงไม่มาเกิดแก่เจ็บตายอีกแที้ๆท่านก็ได้บำไปปอมเป็นทุกทดลองอยู่ถึงหปีจนถึงวันสุดท้ายนะวันที่ท่านนั่งสมาธิวันเดือนเหเพนนะวันเดือนหกเพนที่วันที่ว่าวันประสูตรตัดสรู้ปริณีพานของพระพุทธเจ้าวันตัดสรู้ของพระพุทธเจ้านะวันเดือนหกเพน วันนั้นเป็นวันเดือนหกเพนพระอาทิตย์ยังไม่อัจดงพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินทธธิตถะนายโสธิยะได้ไปเกี่ยวหญ้าคาไปตัดหญ้าคาเกี่ยวหญ้าคาหาผ่านมาในใกล้ต้นโพของทิตถะที่นั่งอยู่ตามลําพังนายโสธิยะเห็นทิตถะนั่งอยู่ตามลําพังนั่งอยู่ที่โครนหาที่ปูที่รองไม่ได้ โสธิยะก็เลยนํายาคาแปดกำมือที่ตัวเองหาบมาเนี่ยเข้าไปถวายมอบให้เออท่านสิท ธ, ธาแตะท่านอยู่นั่งอยู่ตามลําพังหาที่นั่งไม่สะดวกมาข้าพรเจ้าขอมอบยาคาให้ท่านสิท ธ, ธาก็ได้ยาคาแปดกำมือจากนายโสธิยะท่านก็มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองจะปูที่ไหน ท, ที่ทําเลดีท่านก็มองไปทางทิศตะวันออกของต้นโผน ะ, ะทางทางตะวันออกของต้นโพท่านก็เลยไปเกลียเออ ยาคาลงสี่กำมือทางหนึ่งแล้วก็พาดหัวอีกสี่กำมืออีกด้านหนึ่งอแล้วก็ประสานกันยาคาแปดกำมือเอทา ง, างและางและสี่กำมือจากนั้นเป็นอาชนะจากนั้นพระองค์สิทธัตถะก็ขึ้นไปนั่งสัตขัตสมาธิฟังเอานะพวกลูกหลานศรัทธาญาติโยมผู้ที่ฝึกสมาธินะฟังฟังจุดนี้ให้ดีนะเอท่านเข้าสมาธิแล้วนาทีในเมื่อท่านเข้าสมาธิ พระอาทิตย์ยังไม่อัจฉริย์คือมายังไม่ตกดินยังมีแสงสว่างอยู่อากนั้นพระพุทธองค์หันพระพักคือหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอพอหันหน้าไปทางทิศตะวันออกท่านก็นั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นก็เอามือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกนั้นไม่ให้จิตใจส่งไปในอดีตไม่ให้จิตใจส่งไปในอนาคตให้จิตใจอยู่รู้อยู่ในที่ปลายจมูกเท่านั้นถ้าจะเปรียบเทียบยครูบาอาจารย์หลวงปู่ครูบาอาจารย์หลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นท่านบอกว่าถ้าจะเปรียบเทียบในจุดที่เอาลมอยู่ที่ปลายจมูกนั้นเหมือนกับเรายืนอยู่ข้างประตูเรายืนอยู่ข้างประตู คนเข้ามาในอาคารหลังนี้เราก็รู้ว่าคนเข้ามาแต่ไม่ต้องตามลมเข้ามาในอาคารแต่เมื่อคนออกไปเราก็รู้ว่าคนออกไปเราไม่ต้องตามคนออกไปไปอยู่ข้างนอกเเพียงแต่ให้รู้ว่าคนออกรู้ว่าคนเข้าการกาหนดลมหายใจเข้าออกลักษณะอย่างนั้นละ่ะรู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกอันนี้แหะคือกรรมาฐานของพระพุทธเจ้าในวันเดือนหกแผ่นนั้น จากนั้นพระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตใจแนงเพราะจิตใจไม่คิดไปทางอื่นไม่คิดถึงอดีตไม่ติไม่ทิศ ไ, ไม่คิดถึงอนาคตนะแต่ว่าก่อนหน้านั้นก่อนที่พระ อ, องค์เข้าไปนั่งคัตมาธิก็พระ อ, องค์ใจของพระ อ, องค์ ก, คก็คงจะว้าวุ่นพอสมควรคงจะปุ่งพอสมควรจึงได้ว่าพระใจใจของพระ อ, องค์เป็นมีพยาบาลเข้ามารบกวน มีนางตันหาราคาอราดีมีพยามาณคือกิเลสกิเลสเข้ามารบกวนพระ อ, องค์คงอยาคิดถึงเวียงหวังคิดถึงสลโมกำนันจึงมีนางร า, าคะตันหานางตันหาราคาอราดีเข้ามาเกี่ยวข้องแต่พระองค์ใช้สัจจะคือความจริงจังและจริงใจของพระองค์ด้วยบุญบารมีของพระองค์ตั้งสัจจะให้แน่วแ น, น่มั่นคงไม่ต้องคิดถึงในสิ่งภายนอก จนเอาชนะพยามาห์าาได้ตัดสู้กับพยามาหพญาบาลถอยขูดไปหมดด้วยบุญบารมีของพระ อ, องค์พระ อ, องค์ไม่หวั่นไหวนี่แหละอันนี้ก็คือในช่วงหัวค่าช่วงปฐมวิามจากนั้นพระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งพ่อรวมเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณรัศนะเกิดฌ า, านขึ้นมาเกิดความรู้พิเศษขึ้นมาในขณะนั้น อ, อ เมื่อเกิดความรู้ขึ้นมารละลึกชาติทวนหลังได้เยวาวบุพเพนิวาสานุสติยานลำเลึกชาติผลนหลังราชผลหลังได้เพราะนั้นหลักของพระพุทธศาสนาให้พวกเราสังเกตในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจา้าแล้วท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญนะ่ะตายแล้วเกิดอีกเพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้ในวันเดือนหกเพนนนั้นท่านระลึกชาติผลนหลังได้ชาติที่แล้วน่นข้าเป็นใครมาจากที่ไหนท่านรู้ได้หมดชาติที่แล้วเรามาจากสวรรค์ชั้นดุสิต แต่เดี๋ยวนี้ก่อนที่จะขึ้นไปสวรรค์ชัน้นฤสษีเป็นมาจากไหนมาจากพระเวทธันดร อ, ออกจากพระเวทธันดรชาตินั้นมาจากไหนถ้าก็ไล่เรียงไปหมดยาวเยือกเลยในอดีตแต่ชาติของแต่ละคนแต่ละท่านฮะอันนี้แหละคือตอนหัวค่ำพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านระลึกชาติผลหลังได้เนี่ยเมาให้พวกเราเอาเป็นตัวอย่างเอาเป็นตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้เนะี่ยตัดสู้อะไร ในคืนวันนั้นจากนั้นเราจะนำทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาประยุกใช้อีกกย่างได้ใช่ไ้มึงหลวงปู่มั่นที่ต้นตระกูลของหลวงปู่วิรยังหลวงตามหาปัวหลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ต่างๆท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าพวกเราภาวนากำหนดแต่ลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกคราะหายใจออกมันสั้นเกินไปมันหลุดได้เร็วให้พวกเราบริกรรมกรรมฐานด้วยนะหายใจเข้าบริกรรมพดหายใจออกบริกรรมโถพดโถพดโถพดโ ถ, โ ถ, โถแต่ให้มีบริไม่มีบริกรรมด้วยถ้าเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยเฉยมันหลุดได้เร็วมันหลงเงินได้เร็วมันเผลอได้เร็ว ควรจะบริกรรมสำทับพุทโธเข้าไปด้วยอันนี้แหละคือกรรมาฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ว่าภาวนาพุทโธนมาด้วยจุดนี้จากนั้นพอพระพุทธเจ้าท่านนั่งสมาธิพอถึงปฐมพยามคือตอนหัวค่าพอถึงเที่ยงคืนท่านก็มองดูสรรพสัตว์เพราะตอนหัวค่าท่านมองดูพระ อ, องค์เองนะมองดูพระ อ, องค์เองแต่พอถึงเที่ยงคืนท่านมองดูสรรพสัตว์ทั้งหลาย ท่านมองดูพวกเราท่านทั้งหลายสัพสัตทั้งหลายเกิดมาในโลกทำไมไม่เหมือนกันคนหนึ่งทําไมฉลาดคนหนึ่งทําไมโง่คนหนึ่งทําไ ม, านนไมาร่างกายสุขภาพไม่ดีบ้าใบเอโง่เง่าเตา่าตุต่อย่างพวกเราท่านทั้งเห็นในโลกนี่ยทาไมคนไม่เหมือนกันจิตกับกิริยาไม่เหมือนกันทํำไมคนเกิดมาแล้วจึงไม่เหมือนกันพระพุทธองค์บอกว่ากรรมกรรมคือการกระทําในอดีตชาติ การคิดไม่เหมือนกันการพูดการกระทําไม่เหมือนกันการพูดไม่เหมือนกันในเมื่อการคิดการทําการพูดไม่เหมือนกันผลกรรมที่ออกมากระจำนวนให้สรรพสัตทั้งหลายเป็นไปในต่างๆนานาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเปืองคนว่าอันนี้สงทานให้เป็นยังไงอันนี้สงศีนเป็นยังไงอันนี้สงภาวนาเป็นยังไงเนี่แหละอันนี้คือพระพุทธองค์มองเห็นแล้วว่าสัพพสัตทั้งหลายเป็นไปเป็นมาด้วยกรรม กับทใครทำกรรมดีกรรมดีให้ผลถ้าใครทำกรรมชั่วกรรมชั่วให้ผลเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสเป็นพระบาลีว่าอกคตังดุกตังเสยโยปัจชาตะปฏิดุกตังกรรมชั่วคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเมื่อพวกท่านทั้งหลายคิดชั่วทำชั่วพูดชั่วกรรมชั่วให้ผลพวกท่านนั่นแหละจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังนี่แหละ สรุปแล้วก็คือพระ อ, องค์เน้นถึงหลักกรรมกรรมคือการกระทําพอถึงเที่ยงคืนพระองค์มองเห็นสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยกรรมคือผลของกรรมแต่ได้พอถึงจวนสว่างท่านก็บอกวัดใจดวงนี้มาจากไหนจึงมาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารมันเกิดมาจากไหนใจของเราพระเจ้ อ, องค์ก็ย้อนไปถึงไปโตถึงอวิชชาอวิชชาปัจจะยาสร้างข้าราเป็นปิดปัจจัยาการนะอจนถึง อาวิชาใจตรงนี้มาเกิดมาจากความโง ộ, ่ความไม่รู้ออกจกมาเ ไ, ไม่รู้เลยนะจนถึงว่าทุกข์ผลิเทวทุกขโธมนัสสุเกิดมาจนร้องไห้พิไรรำพันทุกโศทุกวันนี้เพราะออกมาจากตัวไม่รู้เพราะฉะนั้นพระองค์จึงดูแล้วว่าใจของเรานี่ออกมาจากอ ว, วิชาตัวไหนเทพานํามาเกิดทําให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารคือกิเลสน่ย มันมีเชื้ออยู่ในใจของเราคือกิเลสราคะบัณฑโทสะบ้างโมหะบ้างโลภโกรธโลงอยู่ในใจของเราเนี่ยแหละพระองค์กำจัดจุดนี้ออกอีกจนได้แต่รูป้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนจวนสว่างประกาศได้เลยว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วกิเลสราคะโทสะโมหะเรากําจัดออกไปแล้วที่จะพานําให้เราไปเกิดในภพภูมิต่างๆ นี่แหละพระพุทธเจ้าได้ตรรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือน6กเพนประกาศเลยทีเดียชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราแล้วเราไม่มาเกิดอีกแล้วสิ่งที่จะทําให้เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนั่นคือกิเลสราคะบางโถสะบงางโมหะบังเรากำจัดออกจากใจของเราแล้วจากพระไทยของเราแล้วใจของเราบริสุทธิ์แล้วสิ่งที่จะพานําไปเกิดนั้นเราตัดออกหมดแล้วนี่แหละอันนี้คือพระ พระเจ้าได้ตัททรูพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในวันเดือนหกเพนนนี่คือหลักแนวแถวของพุท ธ, ธะนะแต่เน้นเรานำมาแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเที่ท่านแนะนําสั่งสอนเรื่องสมาธิสมาธิที่สรุปแล้วก็คือทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งอสมาธิมีอยู่สามขั้นเมื่อเรานั่งภาวนา คือนั่งภาวนาอย่างพระพุทธเจ้าแลนะ้วกหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพุทธโธใจของเราจะ น, นิ่งสงบบางคนขงเขาเย็นว้าบไม่เหมือนพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าท่านมีขั้นตอนแต่พวกเราเป็นสาว ก, กะปฏิบัติไปจะให้เหมือนพระพุทธเจ้าเป็นไปไม่ได้แต่เราก็ต้องเดินตามแนวแถวนั้นเดินตามแนวแถวของพุทธะแต่จะให้เหมือนพุทธะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเป็นบริบา ร, รมีของพระองค์ท่าน แต่ถึงเราพยายามเราเดินตามพระพุทองค์แนะนำสั่งสอนอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามท่านว่าให้กำหนดลมหายใจเข้าออกแต่หลวงปู่มัน่นว่าให้บริกรรมพุทโธเขาด้วยนะในเมื่อเราบริกรรมพุทโธจากนั้นพอเราไม่ส่งจิตไปที่อื่นความสงบมันก็จริงเข้ามาสู่ใจของเราเหมือนกันนะมันก็จะเย็นว้าในใจของเราอันนี้ไปว่าจิตใจเย็นชั่วขณะหนึ่ง ชั่ครู่หนึ่งชั่วขณะหนึ่งอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธินะคณิกะคือไปเป็นชั่วคู่ชั่วขณะหนึ่งที่จิตใจเย็นสบายมีความสุขอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิแต่จากนั้นเราพยายามกําหนดลมหายใจข้นแน่วแน่แน่นิงเข้าไปอีก อ, อไม่ต้องใส่ใจสนใจที่มันผ่านไปแล้วนะจากนั้นใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบลงไปอีกอันนี้คือสติกับจิตเ อ, อ ตากันสติจิตของเรานึกคิดเรื่องอะไรสติของเราตามทันเดี๋ยวนี้เราใจของเราคิดเรื่องอะไรสติของเราตามทันอันนี้เรียกว่าอุปจาระสมาธิจิตใจของเราตามตามตัวผู้รู้ทันอยู่ตลอดอุปจาระแต่พอเราพยายามทำจิตใจให้นิ่งดูอีกจิตใจจะรวมสงบลงเป็นหนึ่งแน่วแน่ถึงเป็นอัปปนาสมาธิ จิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในสมาธินั้นอันนั้นแปลว่าสูงสุดของสมาธิเอไม่ถึงไม่เหนือกว่านั้นไปอีกสติกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวแล้วจบจากนั้นก็ถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาเป็นอุปจารสมาธิแล้วก็เป็นถอนขึ้นมาเป็นคเนกะแล้วถอนเป็นจิตธรรมดาแต่พูดได้เลยว่าบางคนก็บอกว่า นั่งสมาธิให้เกิด เ, เพ่งฌานที่หนึ่งฌานที่สองฌานาที่สาอันนัน้นเป็นเรื่องของอผู้ที่ท่านชำนิชำนานเป็นฤาษีสีพรและเป็นพุทธะแต่พวกเราเป็นสาวกเนี่ยพอนั่งจิตสงบได้ขนาดนี้ก็นับว่าดีเลยฌานเป็นผลพลอยได้จากสมาธิถ้าจิตใจไม่สงบอย่าหวังเลยฌานจะเกิดขึ้นมาได้แต่พระพุทธเจ้าทากาหนดลมหายใจเข้าออก พอจิตพัดหทยใจของพระองค์สงบรวมสงบจึงเกิดจานรัตนะขึ้นมาจึงว่าปุเพนิวะสานุสติยานปฐมยานตติยะฌานตติยะฌานจตุทัชฌานจะเกิดขึ้นมาได้ถ้าจิตใจไม่เป็นสมาธิอย่าหวังเลยที่สัพชานเหล่านนั้จะเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นพวกเรานั่งให้เกิดสมาธิไว้ก่อนนะจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วมันจะถอนขึ้นมาบางคนบางคนก็อยู่ได้นาน บางคนก็อยู่ไม่ได้นานในสมาธินั้นเมื่อเมื่อถอนขึ้นมาแล้วจะทํำยังไงนี่แหละต้องเดินวิปะะัสสนาแต่ีอันนั้นคือสมถะทาจิตใจให้สงบนั่นคือสมถะหรือสมาธิในเมื่อเป็นจิตใจเป็นสมถะหรือสมาธิดีแล้วนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอะไรพิจารณาถึงมรณะคือความตายก็ได้เปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบใน อีกสักวันหนึ่งข้าพเจ้าจะต้องตายคนอื่นจะต้องตายพ่อแม่ปูย่ย่าตา ย, ยายตายให้เราเห็นมาแล้วเราไปเผาฝังศพมาไม่รู้กี่คนแล้วต่อไปกัหญาติพี่น้องทุกคนเกิดมาแล้วตายทั้งหมดข้าพเจ้าก็จะต้องตายอันนี้คือภาวนาถึงความตายหรือจะพิจารณาถึงธาตุสีก็ได้ข้าในร่างกายของข้าพเจ้ามีธาตุสีมีดินมีน้ามีลมมีไฟดินคือกระดูกผม ที่ของแข็งคือเป็นกระดูกน้ำก็คือน้ำเลือดน้ำปัสวะน้ำตาอันนี้คือน้ำลมคือลมหายใจเข้าหายใจออกไฟคือทําให้ร่างกายอบอุ่นในร่างกายของเรามีอยู่ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟถ้าเป็นบาลีแบบปัตถวีธาตุคือธาตุดินอาโปธาตุคือธาตุน้ำเตโชธาตุคือธาตุลมวาโยธาตุคือธาตุไฟนี่แหละ คือร่างกายของเรามีอยู่สี่ธาตุอยู่ในร่างกายของเราจะพิจารณาเป็นธาตุก็ได้หรือจะพิจารณาเป็นอสุภะปฏิกูลก็ได้อสุภะปฏิกูลคืออะไรเราพิจารณาเกสาผมโลมาขนนาขาเล็บทันตาฟัด ต, ตะโจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจตับปังปืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าอยู่ในร่างกายของเราอีกสักวันหนึ่งนะร่างกายนี้ เมื่อแกเท่าชลาหรือไม่แท้แกเท่าชลาก็เถอะ อ, อายุน้อยหนุ่มก็ตายกันมีต่อมากต่อมากเมื่อตายลงไปแล้วร่างกายนจะต้องเปื่อยเน่าลงสู่ดินน้ำลมไฟเป็นเป็นธาตุดินเป็นธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสู่ดินทั้งหมดแล้วร่างกายของเราเนี่ยหาสารประโยชน์ไม่ได้อีกสักวันหนึ่งต่อไปภายภาคหน้า หรือจะพิจารณากระดูกก็ได้ในร่างกายของเรามีโครงสร้างคือกระดูกพวกเรานั่งโดยการมีกระดูกใช่ไหมมีกระโหลกศีรษะมีจมูกมีฟันมีขากรรไกรมีฟันมีขอกระดูกคอกระดูกหาปลาล่ากระดูกแขนขวาแขนซ้ายกระดูกชี่โครงกระดูกสันหลังกระดูกจะพกกระดูกขากระดูกเข่ากระดูกแข่งกระดูกขาาเท้าทั้งสองข้างซ้ายขวาเองไหม ให้กําหนดลมให้กําหนดกูกระดูกของตนเองให้เห็นชัดเจนในกระดูกนี่แหละเมื่อเห็นกระดูกแล้วก็ให้กระดูกนัน่นแล้วี่มพัพิจารณาไปถ้านานไปเขาเอาไปเผาฝอยทิ้งเมื่อไปเผาฝอยทิ้งเอาไปปล่อยลงน้ําทะเลเอาไปลอยอังคาดใช่ไหมร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นใช่ไหมใหญ่ทีนี้พอมาพิจารณาอยากกันแล้ว เ, เมื่อจิตใจของเราผ่านสมาธิเอ่อเป็นอปปนาสมาธิมาแล้วนะ เราจะพิจารณาอันไหนน่ยมันจะจับได้ชัดเลยนะเพราะว่าจิตใจของเราเป็นสมาธิดีจากนั้นก็นมาพิจารณาถึงด้านปัญญาจากนั้นก็นย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจเท่นใจของเราเป็นหลงร่างกายใช่ไหมขณะร่างกายตัวเองแท้แทเนี่ยจะต้องถูกไปเผาไฟทิ้งนะอีกสักวันหนึ่งเองไหมใจยอมรับไหมใจก็ต้องยอมรับว่าใช่ไม่แน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นในขณะร่างกายของเรายังไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างอื่นล่ะ สามีภรรยาล่ะทรัพสมบัติ่ะเรื่องสวนไรนาเกียรติยศชื่อเสียงล่ะเป็นของเราอยู่ใช่มใจขนาดร่างกายตัวเองยังไม่ใช่ตัวตนของเราเรายังไปหลงว่าจะสูงสิงเหล่านั้นเป็นของเราอยู่ใช่ไ้ใจขณะนี้ความรู้สึกนึกคิดมันย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจทนี้ดูที่ใจท่านนี่แหะเรื่องทั้งหลายออกไปจากใจทั้งหมดทนี้มันไม่ใช่ออกไปจากที่อื่นนะทนี้ เมื่อสมาธิดีแล้วเราจะมองเห็นมองเห็นใจของตนเองในเมื่อมองเห็นใจของตนเองก็พิจารณาถึงใจดูที่ใจเอาสมาธิเข้ามาที่ใจเอาปัญญาคุยเขี่ยขุดค้นที่ใจอย่าไปยึดมั่นถือมั่นในะใจนะอีกสักวันหนึ่งนะอถึงทุกทั้งสิ่งทั้งอย่าลายนะมันออกมันจะละเลงละลายไปหมดนะใจนะใจคล้องเราก็มองเข้ามาหาดูผู้รู้คือใจใจคล้องมันก็ลุดเหล็กหลุดเล็กหลุดเหล็ก เพราะกิเลสราคาบังที่เด็ดกิเลสโทสะบังกิเลสโมโมหาบังมันเลิกคิดอยู่ในจิตใจมันจิตใจขอ ง, งมันวันไหวควยแคว่งอยู่ในตัวผู้รู้คือใจเนาสติจับอยู่จุดนั้นดูจุดนั้นกําหนดดูจุดนั้นปล่อยวางไม่ยึดมัน่นถือมั่นกระทั่งใจสิ่งไหนไม่เที่ยงจิตใจที่มันหลุกเด็กมันไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาม่ใช่ตัวตนของเราปล่อยกระทั่งใจไม่ยึดมั่นถือมั่นกระทั่งใจนั่นแหละ หลักธรรมคําสอนของพุทธพุทธศาสนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์นักนักสตัยญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายไม่ใช่จะสมาธิอย่างเดียวสมาธินะเป็นเครื่องตรอมให้จิตใจของเราอยู่ในความสงบแต่เมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วให้พิจารณาทางวิปัตนาคือปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาร่างกายร่างกายนั่นแหละเป็นเหตุรับปัญญาจะทําให้ปัญญาคมให้ปัญญาไม่มีความรู้ความฉลาดจากนั้นของมาหาใจตัวผู้รู้ เมื่อเรื่องทั้งหลายออกไปจากนี่แนะ้วพยาวจิตราษตัวนี้แหละเป็นตัวจักใจที่ทําให้โลกทั้งโลกเดือดร้อ น, นวุ่นวายทุกวันนี้ก็พอเพราะออกมาจากใจทั้งหมดนัลนะเมือ่อชําระใจของเราหมดกิเลสแล้วใจของเราบริสุทธิ์บุดรุดพ้นแล้วนะนะั่นแหละคือพระหันไปต้องหาที่ไหนอยู่ที่ใจของพวกเราท่านทั้งหลายนะแล้วก็อันเก่าววันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาข อ, อยุติเพียงเท่านี้ก่อนนะ